อขอบอกกติกานั่งในศาลานี้หน่อยนะถ้าใครนั่งก็ห้ามลุกขึ้นห้ามลุกเข้าลุกออกนะตลอดระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกนี่ถ้านั่งไม่ไหวก็ย้ายไปนั่งข้างหลังศาลาหลังเดี๋ยวพูดคุยธรรมะแล้วเดี๋ยวลุกเข้าลุกออกมันรบกวนคนอื่นครับ เห็น่านคิดว่านั่งฟังตลอดไม่ได้เนี่ยต้องลุกเข้าห้องน้ําหรือลุกเข้าไปทําอะไรก็ขอกล่องอยู่ตรงนน้นสร้องอยู่ตรงนน้นอยู่ในกล่องนู้นอเดี๋ยวนั่งสิบห้านาทีก็อยากจะลุกออลุกเดี๋ยวคนนี้ลุกเดี๋ยวคนนั้นลุกข่าวที่แล้วลุกกันไม่ลุกกี่คนลุกเข้าลุกออกอย่นี้ มันก็เลยก่อความลำคาญให้คนอื่นเงาแสดงว่าไม่อยากฟังทำหรืฟังไม่รู้เรื่องถ้าฟังรู้เรื่องแล้วมันจะไม่อยากจะลุกอ่ะอ่ามาวันนี้เหมือนดูหนังถ้าดูหนังแล้วไม่อยากจะลุกใช่ไหมดูหนังแล้วมันรู้เรื่องไม่อยากจะลุกลุกไปแล้วเดี๋ยวมันไม่กลับมามันไม่รู้เรื่องแนละ้วหนังไปถึงไหนแล้ว ทันถึงบอกว่าการฟังธรรมจะได้คุณได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อฟังด้วยกายวาจาใจที่นิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวร่างกายไม่เคลื่อนไหววาจาไม่เคลื่อนไหวไม่พูดอะไรไม่คูดคุยกันใจไม่ไปคิดเรื่องต่างๆนาน า, นาให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่กำลังฟังอยู่ถึงจะเกิดความเข้าใจ เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดวิมุตติเกิดบรรลุธรรมนี่สมยัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมผู้ฟังนี้เขามีกายวาจาใจที่สงบฟังแล้วก็บรรลุธรรมกันขึ้นม า, เ, าเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระอาหารหันต์บ้าง ก็ฟังอย่างต่อเนื่องฟังแบบไม่ขาดตอนถ้าฟังแบบลุกขึ้นๆเข้าๆออกกอก็ไดฟังไม่รู้เรื่องตอนที่ออกไปก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันกลับมาก็ตามเขาไม่ทันนะเขาพูดไปถึงไหนแล้วไปถึงเรื่องไหนแล้วเพราะธรรมะมันก็เ ป, นเป็นเป็นขั้นเป็นตอน การแสดงธรรมนี้ท่านจะแสดงจากขั้นต้นไปถึงขั้นปลายถ้าไม่ฟังอย่างต่อเนื่องขาดฟังแบบขาดตอนเดี๋ยวฟังก็จะไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเสียเวลาคนฟังเสียเวลาคนพูดแล้วก็ไปรบกวนคนที่คนอื่นที่เขานั่งเพราะเขาจะต้องขยับที่ให้เราผ่านไปบ้าง ยานก็มีความจำเป็นจะต้องบอกกติกาหน่อยก็ไม่เคยบอกก็คิดว่าคงจะรู้กันเป็นเรื่องของมารยาทของการฟังธรรมฟังด้วยความเคารพต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าฟังแบบ ขยับกันก็เปินไปฟังคอนเสิร์ตฟังแล้วก็เต้นลําไปด้วยอย่างนั้นไม่ได้เป็นการฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความสนุกสนานไม่ได้สาระประโยชน์นอกจากความคืนเคลงชั่วขณะแล้วก็ผ่านไปหมดไปแต่ฟังธรรมด้วยความตั้งใจฟังจะได้ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเราจะได้รู้วิธีที่จะทำในสิ่งที่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจเพราะจิตใจของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ที่ต้องมีน้ำมันขับเคลื่อนถ้าไม่มีน้ำมัน รถยนต์ก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้จำเป็นจะต้องเข้าแวะตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันพอได้น้ำมันแล้วทีนี้ก็สามารถลับเคลื่อนรถยนต์ไปไหนมาไหนตามที่ต้องการได้จิตใจถ้าไม่มีธรรมะคอยเป็นน้ำมันขับเคลื่อนจิตใจ จิตใจก็เป็นจิตใจที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังจะทำอะไรก็ทำไม่ได้มีแต่ความเศร้ามีแต่ความทุกข์ลุ่มเล้าจิตใจเพราะขาดธรรมขาดพลังขับเคลื่อนจิตใจให้ฟันฝ่า อุประษคต่างๆให้ฟันฝ่าปัญหาต่างๆได้อย่างปลอดภัยอยากจะทำอะไรก็สามารถทำให้สำเร็จรุ่งรงไปได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามถ้ามีธรรมะขับเคลื่อนจิตใจแล้วสามารถทำอะไรต่างๆที่ ต้องการจะทำได้อยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้อยากจะเป็นบัณฑิตนักศึกษาบัณฑิตเป็นยาตีโทเอกก็เป็นได้อยากจะเป็นเศรษฐีก็เป็นได้อยากจะเป็นในพลนพันเป็นนายกเป็นอะไรก็เป็นได้ คนเหล่านี้ที่เขาเป็นอะไรกันนี่ก็เพราะจิตใจเขามีพลังขัดขับเคลื่อนจิตใจเขาให้เขาไปทำอะไรต่างๆได้สำเร็จ้เรื่องเขามีความรู้ถ้าทางโลกเขาก็มีความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกก็จะทำให้เขานำมาไปทำในสิ่งที่เขาอยากได้ อยากเป็นอยากมีถ้าไม่มีความรู้ทางโลกก็ไม่มีอะไรที่จะขับเคลื่อนจิตใจให้ไปทำสิ่งที่อยากจะทำอยากจะได้คนที่ไม่มีการศึกษาจึงมักจะเป็นคนที่ด้อยโอกาสด้อยสมรรถภาพ คนที่ยากจนเพราะขาดความรู้คนที่มีความรู้นี่มักจะร่ำรวยกันอยู่ดีกินดีกันเพราะมีความรู้ที่สอนให้เขาทำอะไรต่างๆได้คนที่ไม่มีความรู้ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อทาอะไรไม่ได้ก็ไม่มีรายได้ ไม่มีรายได้ก็ยากจนทำก็ทำทำก็ทำแบบรายได้ที่ได้น้อยเพราะความรู้น้อยต้องใช้แรงงานใช้แรงงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยกว่าแต่ถ้าใช้ความรู้นี่วันละหลายพัน หรือเป็นหมื่นก็มีบางคนเขามีความรู้วันๆหนึ่งนี้ก็หาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนได้คนที่ไม่มีความรู้ไม่สามารถที่จะหาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนได้ถ้าเขาอยากจะหาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าเขาขวนขวายศึกษาหาวิชาความรู้เขาก็จะสามารถ ที่จะเอาความรู้ที่เขาได้ศึกษาไปหารายได้เข้ามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อย่างสบายความรู้ทางธรรมก็เป็นความรู้ที่จะขับดันจิตใจให้ผ่านความทุกข์ต่างๆผ่านความวุ่นวายใจต่างๆ ให้ไปอย่างขก้าคาดปลอดภัยให้ไปสู่ที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังถูกความทุกข์ต่างๆลุ่มแล้วอยู่ตลอดเวลาทุกทางร่างกายของตนเองทุกข์กับเรื่อง เงินทองทุกข์กับคนนั่นคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะไม่มีความรูว้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ที่เข้ามารุมเล้าจิตใจเพราะขาดการศึกษาขาดการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ เป็นความรู้ที่มีไว้สำหรับดับความทุกข์ใจต่างๆเป็นความรู้ที่แตกต่างจากความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้ไม่ได้สอนให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจสอนแต่วิธีหาเงินหาทองหาข้าวหาของคนที่ เก่งทางโลกร่ลำรวยทางโลกเป็นใหญ่เป็นโตทางโลกก็ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของตนได้ถ้าเรียนแต่วิชาความรู้ทางโลกถ้าต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจนี่ต้องเรียนวิชาทางธรรม ต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ทางใจได้สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้ความทุกข์ทางใจส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้เราทุกข์กันนั่นเอง เรากลับไปเห็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสุขแล้วเราก็เลยไปหามันพอไปหาสิ่งที่มันจะทำให้เราทุกข์แต่เราไปคิดว่ามันเป็นสุขพอเราไปได้มมาเดี๋ยวมันก็ให้ความทุกข์กับเรา อันนี้เรา <c oughs> ถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้เราจะหลงแล้วเราก็ต้องมาร้องโขมร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจมาวิตกกังวลมาหวาดกลัวมาวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆที่เราไปหามาน่นะเพราะเราคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราหามานี่ จะให้ความสุขกับเราแต่ตามความจริงแล้วที่พระตเจ้าได้ท่งค้นพบนสิ่งต่างๆในโลกนี้มันถึงแม้จะให้ความสุขกับเรามันก็เป็นความสุขชั่วคราวพอเวลามันหมดไปเวลามันจากเราไปมันก็จะให้ความทุกข์กับเราหรือเวลาที่มันยังไม่จากเราไป บางทีล้วก็ไปทุกข์กับมันก่อนแนละ้วทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความหวงังกลัวว่ามันจะจากเราไปนี่แหละคือเรื่องที่เราจะไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั่นอยู่ที่ตรงไหนความสุขที่ไม่ให้ความทุกข์กับเราเนี่ยอยู่ตรงไหน เรารู้แต่ความสุขที่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะความสุขที่เราได้มามันเป็นความสุขชั่วคราวอความสุขที่เราได้จากข้าวของเงินทองความสุขที่เราได้จากการเป็นใหญ่เป็นโตเอมีตําแหน่งมีอะไรต่างๆมียศมีตําแหน่งมีหน้ามีตาเอ ความสุขที่เราได้ผ่านทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่ชั่วคราวเวลาที่ได้ก็มีความสุขเวลาที่ขาดมันเมื่อไหร่เวลานั้นก็ก่อความทุกข์ขึ้นมามเช่นเงินทองเวลามันมานี่มันให้ความสุขกับเราพอมันหยุดมาเมาื่อไหร่เวลานั้นมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ตำแหน่งเคยที่เรามีเป็นใหญ่เป็นโตพอมันไม่มีแล้วพอเราไม่ได้เป็นแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาเคยเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสั่งลูกน้องให้ทำอะไรได้พอพ้นจากตำแหน่งไปถูกโยกย้ายไปความทุกข์ก็เข้ามาแล้ว ในขณะที่ยังไม่ถูกโยกย้ายก็ไม่ค่อยสบายใจไม่รู้ว่าจะถูกโยกย้ายเมื่อไรไม่รู้ว่าจะถูกปลดเมื่อไหร่ออันนี้แหละคือสิ่งที่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่ามันเป็นความสุขกันเราก็เลยไปหากันได้มาก็ดีใจกัน สับใดที่เราได้อยู่เรื่อยๆมันก็ให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่พอถึงเวลาที่เราไม่สามารถหามาได้หรือไม่สามารถรักษาสิ่งที่เราหามาได้พอมันต้องมีการพลาดพาคจากกันตอนนั้นมันก็จะให้แต่ความทุกข์กับเราถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมฟังจากพ่อระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นโลกาวิทูโลกาวิทูนี่แปลว่าอะไรที่เราสวดกันอุจาจารนะนสัมปันโนโลกาวิทูอนุตตรังปุญญาอะไรบทพุทธคุณเนี่ยมีคําว่าโลกโลกวิทูแปลว่าผู้รู้โลกรู้ความจริงของโลกความจริงของโลกโลกนี้มีอะไร โลกนี้ก็มีาะลาภยศฉลเสริญสุกนะี่แหละที่เป็นสิ่งที่พวกเราขวายคว้าหากันแย่งกันอฆ่ากันตายก็ยิ่เพาะไอลาภยศฉลเสริญสุขนี่แหละสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายแก่งแย่งชิงดีกันเออพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยง มีลาบมีได้ลาบก็ต้องมีเสียลาบไปได้ยศก็ต้องมีวันที่จะต้องเสียยศไปได้สรรเสริญก็จะต้องมีนินทาตามมาได้สุขทางตาหูจมูกนิ้งกายก็จะได้ความทุกข์ทางตาหูจมูกนิ้งกายตามมาเพอาะรูปเสียงกลิ่นรสปวดพทพะที่เราเสพทางตาหูจมูกนิ้งกาย มันไม่ได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขเพียงอย่างเดียวบางทีมันก็ให้ความทุกข์กับเรานะเวลาเห็นรูปที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาพอไปเห็นรูปที่ไม่ชอบความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาได้ยินเสียงที่ชอบก็เกิดความสุขพอได้ยินเสียงที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ ถ้าเราไปไปเลือกไม่ได้เลือกได้บางทีบางทีก็เลือกไม่ได้เลือกเอาแต่สิ่งที่เราชอบแต่บางทีสิ่งที่ไม่ชอบมันก็เข้ามาตามมาอยาไม่เอามันก็ไม่ได้เพราะนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับ ไม่ได้อยู่ภายใต้การสั่งคําสั่งของเราว่าเอาแต่เสียงดีๆนะเอาแต่เสียงแสรละเสรนเยินยอไม่เอาเสียงตําหนิติเตียนไม่เอาเสียงคลหานินทาไม่เอาเสียงดูถูกดูแคลนแต่มันก็มาใช่ไหมเพราะว่าเราไปหามันถ้าเรา หรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้มันเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขแต่มันไม่ได้เป็นสุขร้อยเปอร์เซ็นต์มันสุขห้าสิบเอร์เซ็นแล้วมันก็ทุกข์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าเราไปหามันเราก็จะต้องได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าเราหาราภยศสรรเสริญเราก็จะได้ทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะมันก็มาแบบห้าสิบห้าสิบ มาห้าสิบแล้วเดี๋ยวก็ไปห้าสิบมีมามีไปมีเจริญมีเสีม่มเสื่อมมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิถูรู้ว่าราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่ได้เป็นสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์แถมมาด้วย ถ้าไม่อยากจะได้ทุกจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ต้องไปมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาให้เศษมาให้สัมผัสให้ไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญความสุขที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่จะให้ความสุขร้อยเปอร์เซ็นต ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขร0อเปนี้ที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้เองอใจจะสงบก็ต้องมีการปฏิบัติสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมาธิระดับที่สองเรียกว่าปัญญาถึงจะได้ความสุขร0 0เ ถ้าเอาแต่สมาธิอย่างเดียวก็ยังจะได้ความสุขไม่ร้อยเปอร์เซนต์ความสุขชั่วคราวถ้าอยากจะให้ใจสงบตลอดเวลาต้องมีปัญญามาประกบกับสมาธิยังมีการสอนให้เราเจาริญศีลสมาธิปัญญาเพราะนี่คือเครื่องมือที่จะทำให้เรา ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่เป็นความสุขลน100้นลนร้อยเปอร์ซนถ้าเป็นทองคําก็เป็นทองคําบริสุทธิ100์ร้อยเปอร์ซนตไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองเคทองเคนี่มีอย่างอื่นผสมเข้ามาไม่ใช่เป็นทองร้อยเปอร์ซนตความสุขทางโลกความสุขทาง ลาบยศจะเสรินความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขไม่ใช่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นความสุขที่ผสมด้วยความทุกข์ห้าสิบห้าสิบงนั้นถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็ยังจะต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อย เพราะเราก็ยังจะต้องไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัพต่อไปถึงแม้ว่าจะมาได้ยินได้ฟังแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าหาความสุขที่แท้จริงได้เพราะความสุขที่แท้จริงนี่มันก็เป็นสิ่งที่ ยากต่อการเข้าถึงอดังนั้นบางทีมาฟังเทศฟังธรรมแล้วถึงแม้รู้ว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญที่ได้จากลูกเสียงกิรลดพธภิภจะมีความทุกข์ตามมาก็ยอมรับว่าอย่างน้อยตอนนี้เอาสุขก่อนส่วนมันจะทุกข์มาที่หลังค่อยว่ากัน เพราะว่าอยู่โดยที่ไม่มีความสุขนี้มันอยู่ไม่ได้อยู่โดยที่ไม่ได้เสกรูปเสียงกลิ่นรสปวดพทพะนี้มันจะทําให้เกิดความซึมเศร้าเกิดความว้าเหวเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาเกิดความหงุดหงิดเกิดความลาคาญใจต่างๆขึ้นมาถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นความทุกข์ต่อไป แต่อย่างน้อยตอนนี้มีความสามารถที่จะหาส่วนที่เป็นสุขได้ก็หาไปก่อนส่วนเวลาที่จะไปเจอความทุกข์ก็ขอไปตายดาบหน้ากันแล้วกันเพราะว่าจะเข้าหาความสุขที่แท้จริงที่พระตถเจ้าวทรงค้นพบก็ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถเพราะว่า ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีกำลังที่จะเข้าหาความสุขที่แท้จริงได้แต่สำหรับคนบางคนอาจจะมีบุญเก่าอาจจะมีความสามารถที่จะทำตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนได้สามารถรักษาศีลได้ สามารถไปอยู่วัดได้สามารถไปบวชได้คนพวกนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แต่อย่างน้อยก่อนที่จะเข้าถึงได้ก็ต้องได้ศึกษาได้เรียนรู้ก่อนเมื่อเรียนรู้แล้วทีนี้ก็จะได้เลือกทางเอา ว่าจะเอาทางไหนจะเอาทางของทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัหรือจะเอาทางของศีลสมาธิปัญญาถ้าพิจารณาโดยรอบครอบแล้วเห็นว่าถ้าเลือกเอาลาบยศสรรเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ไม่ช้าก็เล็วก็จะต้องเจอความทุกข์หนีไม่พ้นจะต้องเจออย่างแน่ๆเพียงแต่ว่าไม่รู้จะเจอตอนไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าเลือกทางสู่ศีลสมาทางแห่งศีลสมาธิปัญญา<ๆ>ก็จะเจอแต่ความสุขไปตามลำดับตามกำลังของการปฏิบัติแต่จะต้องใช้ความอดทนใช้ความขยัน จะต้องใช้ความกำลังต่อสู้ที่จะดึงจิตใจให้ออกจากการไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะว่าใจมันติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนินก้วกาย เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเหมือนคนที่ติดบุหรี่ติดสุราไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะเลิกได้ต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนถึงจะเลิกได้ถึงจะได้ไปหาความสุขทางศีลสมาธิปัญญาได้เช่นศีลข้อศีลแปดนี่ ถือกันไม่ค่อยได้กันออก็เพราะว่าศีแปดจะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเออมันก็เลยทําให้เราไม่อยากจะรักษาศีแปดกันศีหน้านี่ก็ยากพอสมควรนะออแต่พอให้รักษาศีแปดนี่มันยิ่งยากใหญ่เออพราะมันเหมือนกับเออ ตัดการหาความสุขที่เราเคยหากัน mm hmm. เคยหาความสุขจากการดูา ก, การฟังจากการดื่มการรับประทาน mm hmm. พอให้ตัดไม่ให้หามันก็เลยไม่รู้จะทำยังไง mm hmm. มันไม่มีความสุข mm hmm. แต่ถ้าคิดว่าต้องมาพยายามปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้ได้ถ้าลองมีความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วมีความเพียรพยายามมีความอดทนในช่วงที่ต้องถือศีลก็เพียพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าจะมาทางนี้มันจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเอ ปฏิบัติแบบเหมือนกับไปทำงานเลยเป็นอาชีพเลยถ้าปฏิบัติแบบเป็นมือสมัครเล่นนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ได้ก็ไม่มากจะไม่ก้าวหน้าถ้าอยากจะได้ผลแบบเต็มร้อยจำเป็นที่จะต้อง ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่อย่างที่นักบวชทั้งหลายเขาทำกันเขาลาออกจากงานคอยมีอาชีพอะไรเขาก็ไม่ทำแล้วมาทำอาชีพของนักบวชนักบวชก็มีอาชีพรักษาศีลแล้วก็มีอาชีพนั่งสมาธิ มีอาชีพเจริญปัญญาเออันนี้คืออาชีพของนักบวชหน้าที่ของนักบวชถ้าทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการกระทําเหล่านี้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเอความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาเอความสุขร้อยเปอร์เซนก็จะปรากฏขึ้นมาอในช่วงแรกได้ก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นวับวบ เป็นพักๆแต่ถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและมีการปฏิบัติถึงขั้นปัญญาความสุขร้อยเเซ็นี้ก็จะอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่คู่กับใจไปตลอดให้ความสุขความสบายใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือ สิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะเลือกเอาความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในเบื้องต้นเราอาจจะชิมมาทำแบบชิมไปก่อนก็ได้เพราะเรายังไม่สามารถที่จะสละลาบยศสละเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้แบบเด็ดขาดก็อาจจะต้องมาฝึกฝนมาทำครั้งละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างแล้วแต่ความสามารถที่จะปลีกตัวออกจากการหา ความสุขแบบเดิมได้ถ้าอยากจะมาทางนี้มันจะต้องดึงใจออกมาอยู่ดีๆจะให้มันออกมาเองมันไม่มาต้องลากมันออกมาต้องบังคับมันต้องกาหนดเวลาว่ า, เ, าเดือนนี้จะไปอยู่วัดสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ว่าไปแล้วเดือนต่อไปอาจจะเพิ่ม ให้มากขึ้นไปให้มากขึ้นไปถ้ามาแล้วมาปฏิบัติแล้วได้ผลจะมีกำลังใจจะมีกำลังที่จะตัดการหาความสุขแบบเดิมได้ยิ่งยิ่งมีความสุขแบบใหม่มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีความังมียิ่งยิ่งมีความอยากที่จะตัดความสุขแบบเก่าออกไป พอมันเห็นความแตกต่างระหว่างความสุขสองรูปแบบความสุขแบบเก่านี้มันมีความทุกข์มีเรื่องวุ่นวายใจตามมาอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขแบบใหม่นี้มันไม่มีเรื่องวุ่นวายใจมีแต่ความสบายอกสบายใจเพียงอย่างเดียวมันก็จะทำให้มีกำลังที่จะตัดมากขึ้น ต่อไปก็ตัดได้หมดแต่ต้องบังคับตัวเองให้มาทางนี้ถ้าอยู่เฉยๆจะรอให้มันมาเองมันไม่มาหรือจะรอให้มีจังหวะมีโอกาสไม่รู้จะไปหาจังหวะหาโอกาสตรงไหนหต้องรองให้ใครตายซะก่อนนะต้องให้รอให้แฟนตายซะก่อน เรอรให้ลูกตายซะก่อนหรือยังไงเรื่องรอให้ล้มละลายซะก่อนรอให้หมดเนื้อหมดตัวซะก่อนอตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่และเวลาเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะมีกำลังมาได้หรือเปล่าลลลไม่ใช่ว่าคิดจะมาแล้วมาแล้วมาม า, มาบวชแล้วจะอยู่ได้ถ้าไม่ได้เตรียมกำลังไว้ก่อนพอจะมาบวชก็บวช ก็อยู่ไม่ได้นานอาจจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็ต้องยกธงขาวถอยกลับไปถ้าจะมาแบบไม่ถอยนี่มันต้องซ้อมไว้ก่อนต้องฝึกปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไว้ก่อนแต่แม้ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติแบบเต็มที่แต่ก็ต้องมีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ให้พอที่จะประครับประคองจิตใจให้อยู่ต่อไปได้ถ้าถึงเวลาที่จะต้องออกมาปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถึงแม้ว่าจะมีเวลามีโอกาสที่จะมาบวชก็จะไม่สามารถบวชได้นานบวชได้ไม่นานก็ จะต้องลาลาออกไปเพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมากขึ้นไปตามลำดับนี่คือความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ แล้วทรงนำามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่หลงติดอยู่กับความสุขที่มีความทุกข์ผสมมาด้วยเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราหาได้มันอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้สองเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุข มันก็จะอ่อนกำลังไปเรื่อยๆอ่อนความสามารถไปเรื่อยๆ <c oughs> คือร่างกายของเราร่างกายของเรามันก็จะแก่มากขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> พอมันยิ่งแก่กำลังที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ, <c oughs> ๆมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปๆๆๆแล้วเวลาที่ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็จะหาไม่ได้เลยเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ลุ่มเล้าอยู่ตลอดเวลาแล้วในที่สุดก็จะต้องสิ้นสุดลงร่างกายก็จะต้องตายไปการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จบลงแต่มันจบเพียง พบนี้ชาตินี้เท่านั้นเพราะว่าใจที่หาความสุขนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากโลกนี้พอใจไม่มีร่างกายใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ใจก็ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ ออได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายอันใหม่นี้ให้มันจเจริญเติบโตขึ้นมาให้มีความรู้ความสามารถที่จะไปหาความสุขจากลาบยศจรรเสรญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระใหม่แล้วก็มาทุกข์กับลาบยศจรรเสญมาทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสผพระเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันหมดไป เวลาที่มันจากไปอ น, นี่คือเรื่องของการหาความสุขจากาลาภยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธภะนี้มันจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ก็ต้องเลิกหาความสุขแบบที่ต้องใช้ร่างกายนีย่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือความสุขจากศีลสมาธิปัญญานี่เอที่เรามาลองทดลองกันอย่ยที่เรานุ่งขาวห่มขาวนี่ถือว่าเรามาปฏิบัติศีลละรักษาศีลแปดทำไมต้องรักษาศีลแปดรักษาศีลแปดจะได้กัน จะได้ห้ามไม่ให้ใจเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใครกับแฟนการร่วมหลับนอนกับแฟนก็เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตาก็ดูหน้าแฟนหูก็ฟังเสียงเสียงแฟนจมูกก็ดมกลิ่นแฟนลิ้นก็สัมผัสกับอวดของแฟน ร่างกายก็สัมผัสกับร่างกายของแฟนอันนี้ก็เป็นการเสพการามเรียกว่าเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพะการกินอาหารตามโดยไม่มีขอบมีเขต ก, ก็เป็นการเสพการามอันนี้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพะของอาหารการไปดูหนังฟังเพลงก็ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสรูป ของดารานักร้องนักแสดงเสียงของดารานักร้องนักแสดงได้สัมผัสแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขแบบควันไฟพอไม่ได้เสพไม่ได้ดูมันก็หายไปหมดแล้วก็ปล่อยให้อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ปล่อยให้หิวให้อยากที่จะกลับไปเสพใหม่หิวเรื่อยๆ เพราะความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอนั่นเองเป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วเวลาไม่ได้เสพก็เกิดอาการหงุดหงิดเกิดอาการทรมานใจขึ้นมาเรามาถือศีลแปดเพื่อมาหักข้ามจิตใจไม่ให้ไปเสพ รูปเสียงกิจลดผลพภะในรูปแบบต่างๆเพื่อหนึ่งเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติสมาธิและปัญญานั่นเองเสียนี้เป็นเครื่องสนับสนุนให้เรามีเวลาถ้าเราไม่ถือสียกันเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวเย็ดกันได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ดูละครได้ ไปเที่ยวได้อยากจะออกไปเที่ยวนอกบ้านก็แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผ้าทำผมเวลาก็จะหมดไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายพอเรามาถือศีลแปดเราก็หยุดกิจกรรมเหล่านี้ได้ไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะมีเวลา เวลาที่เราเอาไปใช้กับการทํากิจกรรมเหล่านี้เราก็เอามาทํากิจกรรมแบบใหม่คือเอามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาการจะนั่งสมาธิให้จิตสงบได้ก็ต้องมีสติก่อนเพราะสตินี้เป็นแมนเบรกเบรกของรถยนต์รถยนต์ถ้าเราต้องการให้มันหยุด เวลามันวิ่งแล้วเราต้องการให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็ไม่หยุดใจของเราต้องการให้มันนิ่งสงบเป็นสมาธิเราก็ต้องหยุดความคิดถ้าเราไม่หยุดความคิดมันก็จะไม่นิ่งไม่สงบแล้วสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติถ้าเรามีสติพอมันคิดปับ๊บเรารู้ว่ามันคิดปั๊บ เราหยุดมันได้ปั๊บก็แสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเรารู้ว่ามันคิดแต่เราหยุดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสติเมื่อเราไม่มีสติเราก็ต้องมาสร้างสติก่อนจะมานั่งสมาธิให้จิตมันหยุดคิดไดยนีมันนั่งไม่ได้ถ้าไม่มีสติเรื่องต้องฝึกสติก่อนต้องเจริญสติสติก็มีหลายวิธีที่จะเจริญ กรรมาฐานสี่สิบนี่เป็นวิธีเจริญสติได้สี่สิบแบบด้วยกันแต่เราไม่ต้องใช้ทั้งสี่สิบแบบเราเลือกใช้กับแบบที่เหมาะสมกับเราแต่เราอาจจะเปลี่ยนได้บางทีเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งเราอาจจะต้องใช้วิธีเจริญสติแบบหนึ่ง เวลาเราอยู่ในสภาพอีกสภาพหนึ่งเราก็ใช้สติใช้อีกวิธีหนึ่งวิธีที่ใช้ได้ทั่วไปตลอดเวลาก็คือการนลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี่เราสามารถเจริญสติแบบนี้ได้ทุกอิริยาบถยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น พอลืมตาขึ้นมาถ้าเราอยากจะหยุดความคิดเราก็ใช้สใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เราบริกรรมไปสักพักแล้วลองหยุดบริกรรมดูดูว่ามันคิดไหมถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องบริกรรมถ้ามันคิดเราก็ยังต้องบริกรรมต่อไปบริกรรมไปให้มันหยุดคิด ทําอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะสามารถหยุดความคิดได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็สามารถมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เพราะใจจะสงบจะนิ่งได้อย่างเต็มที่นี้จะต้องนั่งเฉยๆน่างกายต้องไม่เคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้เกิดจากคําสั่งของจิตนั่นเองจิตยังต้องทํางาน ต้องคอยสั่งให้ร่างกายยืนให้ร่างกายเดินให้ร่างกายทําอะไรต่างๆถ้าต้องการให้จิตหยุดทํางานก็ต้องหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ต้องมานั่งเฉยๆนั่งแล้วทีนี้ก็ถ้าคิดก็ใช้พุโทโธไปก็ได้หรือถ้าอยากจะเปลี่ยนพุโทโธมาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้ถ้าเหนื่อย เมื่อกับคำบริกรรมอยากใช้การดูลมหายใจไว้หยุดความคิดก็ได้ถ้าเราคอยเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเราก็จะห้ามไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แต่ถ้าเราดูลมแล้วมันยัง ดือมันยังไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเราก็อาจจะต้องกลับมาใช้พุทธโธพุทธโธให ม, ม่เพราะว่าถ้าเราใช้พุทธโธพุทธโธมันก็จะคิดไม่ได้ถ้าเราดูลมนี้บางทีเราดูไม่อย่างต่อเนื่องดูแล้วเผลอเผลอไปคิดไดม้มันก็จะคิดถ้ามันคิดดูลมแล้วเผลอมันคิดขณะที่เราดูลม ก็อย่าเพึ่งดูลมกลับมาพุโทโธพุโทโธก่อนเนีย่ยต้องทำอย่างนี้ให้หยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้แล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะนิ่งจะสงบเหมือนรถยนตนะ์นะรถยนต์ถ้าเราเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องหยุดนะถ้าเบรกมันไม่แตกซะก่อนถ้าเบรกดีนี่เดี๋ยวเหยียบเหยียบเบรกไปเรื่อยๆรถจะวิ่งเร็วขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราไม่หยุดการเหยียบเบรกเดี๋ยวรถยนต์มันก็ต้องหยุดถ้าเราไม่หยุดบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวจิตมันก็นิ่งสงบเออจิตนิ่งสงบนี้มันจะรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจจะมีความสุขแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนแล้วมันจะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ ไม่มีความทุกข์เข้ามาเพียงแต่ว่าในขั้นต้นนี้มันยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เพราะพอเราพอสติแล้วหมดกำลังเดี๋ยวเจตมันก็จะออกจากความสงบแล้วก็จะมาคิดปรุงแต่งต่อไปมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะคิดด้วยความอยากอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากกลับไป หารูปเสียงกลิ่นรสผดสะพา้าตอนนั้นถ้าเราจะต้องการให้จิตสงบเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้การจะหยุดความอยากนี้ต้องใช้ปัญญาถึงจะหยุดมันได้อย่างถาวรถ้าหยุดด้วยสติมันก็หยุดได้ชั่วคราวเช่นพอมันอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็พุโทโธใหม่พุโทโธไปเรื่อยๆ เดี๋ยวความอยากกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหายไปหยุดไปแต่พอเราพอเราไม่ได้พูดโถเดี๋ยวมันคิดใหม่มันก็จะอยากใหม่อีกวิธีที่จะทำให้มันไม่อยากก็คือต้องสอนให้มันรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราอยากจะกลับไปหานี้มันมีความทุกข์ด้วยนะไม่ใช่มีแต่ความสุขกลับไปหามัน ได้ความสุขแต่เป็นความสุขแบบควันไฟแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเจอความหงุดหงิดความลำคาญใจความเศร้าส้อยหงอยเหงาความว้าเหวความทร ม, มานใจใหม่เพราะมันเป็นผลที่เกิดจากการที่เราอยากหารูปเสียงกิดรดแล้วหาไม่ได้หรื อ, อรูปเสียงกิดรดที่เราหามาแล้วมันหมดไปออมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของมันจะทำให้เราต้องทุกข์แล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันมีให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้นี่คือการใช้ปัญญาที่จะทําให้จิตรู้ทัน รู้ว่าการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายรู้ว่าการไปหาความสุขจากลาบยศจระเสริญเนี่ยจะต้องเจอความทุกข์อย่างแน่นอน uh, ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง uh, ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจทุกครั้งที่เกิดความอยากเ uh, มันก็จะไม่อยากเ uh, หมือนกับสอนใจให้รู้ว่า uh, uh, เครื่องเครื่องเดิมที่เราจะเดิมนี้มันไม่ได้เป็นเครื่องเด่ม มันเป็นยาพิษเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป็นยาพิษเราก็จะไม่กล้าดื่มหรือเครื่องดื่มที่ดื่มนี้จะทําให้เราเกิดโรคมะเร็งขึ้นมานี้เราก็จะไม่ดื่มกันแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่อ ร, อร่อยแล้วก็ดื่มมันไปแต่ต่อมามีนักวิจัยเขาไปวิจัยดูเขาพบว่ามีสาร ก, ก่อมะเร็งอยู่ในเครื่องดื่มนี้ แล้วเขาก็มาติดป้ายไว้ที่เครื่องดื่มนี้ว่าอันตรายระวังดื่มแล้วจะเป็นมะเร็งอย่างนี้เราจะกล้าดื่มไหมจะกล้าซื้อมาดื่มไหมอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาก็แบบนี้ปัญญาก็คือป้ายที่เราจะติดไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆติดไว้กับราบยศสรรเสริญว่าอันตรายแต่ต้องแล้วเดี๋ยวจะต้องเจอความทุกข์เนี่ย ไปยุ่งเกี่ยวกับลาบยศสรรเสริญไปยุ่งเกี่ยวกับลาบกับลูกเสียงกิเลสแร้วเดี๋ยวจะต้องเจอความทุกข์นะถ้าไม่อยากเจอความทุกข์ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอย่าไปแตะมันอย่าไปมีมันมีอะไรแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์เนทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรเราทุกข์กับสิ่งที่เรามีหรทุกข์กับสิ่งที่เราไม่มีหรือทุกข์ทั้งสองอย่างสิ่งที่มีก็ทุกข์สิ่งที่ไม่มีก็ทุกข์ ทุกเพราะอยากได้ไม่มีเงินก็ทุกเพราะอยากได้เงินมีเงินก็ทุกทุกเพราะว่ากลัวมันหมดหรือไม่พอใช้ทุกเพราะไม่พอใช้มีตําแหน่งก็ทุกกลัวเดี๋ยวจะถูกโยกย้ายกลัวจะถูกปลดมีแฟนก็ทุกกลัวเดี๋ยวแฟนจะจากไปเดี๋ยวกลัวแฟนจะทิ้งเรากลัวแฟนจะไปมีแฟนใหม่ก็ทุกเนี่ย มีเล่ากระทุกมีลูกกระทุกเดี๋ยวกลัวจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกเดี๋ยวกลัวจะมีโรคภัยไข้เจ็บเห็นลูกคนอื่นเขาตายก็เลยมาคิดถึงลูกของตนเองว่าเดี๋ยวเกิดลูกเราเป็นเหมือนลูกของคนอื่นเราจะทําอย่างไรก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเห็นไหมการมีลาบยศสารเสริญมีสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะให้ความทุกข์กับเรา แล้วพวกที่ไม่มีก็ทุกข์เพราะอยากได้เพราะไม่รู้ว่าการอยากได้มันไดสิ่งต่างๆมาแล้วมันทุกข์ก็ยังอยากได้อยู่เพราะไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาพออยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ปัญญาก็จะสอนว่ามันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นสุขอย่างเดียวสุ ข, ขก็มีอยู่สุขต้นแต่จะทุกข์ปลายเหมือนกับยายาขมเคลบน้าตาล เวลาอมใหม่ๆน้ำตาลมันเคลือบยาขมมันก็หวานดีพอน้ำตาลละลายไปหมดแล้วเทนี้ก็เจอแต่ยาขมเลยอันนี้ก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเหมือนความทุกข์เคลือบด้วยความสุขบางงเวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจกันพอมันมันหมดมันจางหายไปเทนี้ก็เหลือแต่ความทุกขนะ์อันนี้คือปัญญา ที่จะทําให้เราไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ไม่อยากได้ลาบยศสารเสริญไม่ได้ไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกปิ้งกายเพราะปัญญาจะสอนว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้เงินมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียเงินทองไปได้ตําแหน่งได้ยศมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้สรรเสริญมาแล้วเดี๋ยวก็ได้นินทาตามมา ได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วเดี๋ยวก็จะได้ความทุกข์ทางตาหูจมูกนิ้นกายตามมาสู้กับไปหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบเลทุกครั้งที่อยากก็อยากจะไปหาลาบยศจระเสรญหารูปเสียงกลิ่นแล้วก็ไปนั่งสมาธิดีกว่า แล้วต่อไปความอยากก็จะกลับไปความอยากจะกลับไปหาราบยศสลรเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกตินกายก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะมันรู้ว่ามันเป็นความทุกข์ไม่มีใครอยากได้ความทุกข์พอรู้ด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นมันจะให้ความทุกข์กับเราเราก็ไม่ไม่มีมันดีกว่าความอยากที่อยากจะได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็จะหมดไปใจก็มีความสุขจากความสงบได้ตลอดเวลาเพราะไม่มีอะไรมาก่อขวนใจให้วุ่นวายใจเหตุที่ทำให้ใจเราไม่สงบกันก็เพราะความอยากนี่แหละความอยากที่เราผลักดันให้เราคิดหาสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา พอเราไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีตัวผลักดันให้เราคิดหาอะไรใจเราก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใจเราก็จะเย็นจะสบายไปตลอดใจเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็ไม่วุ่นวายไปกับมันเพราะเราไม่ต้องอาศัยมันแล้วมันจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายได้เออ ไม่ทุกข์กับมันแล้วเวลามันตายไปก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปจะอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าอยู่แบบไม่มีราบยศสารเสริญดีกว่าอยู่แบบไม่มีความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายดีกว่าอยู่แบบใจที่ว่างที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆ นี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกท่านไม่ได้หายไปไหนท่านก็อยู่ของท่านเพียงแต่ว่าท่านไม่มีร่างกายมาเป็นเครื่องมือติดต่อกับร่างกายของเราเท่านั้นเอง<ม>ใจของพวกเราต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นต่อไปเราก็จะอยู่แบบไม่มีร่างกาย<ม>แต่อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขร้อยเปอร์เซนตไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด<ม>นี่คือ ธรรมะที่เราจะได้ยินได้ฝังได้รู้ว่าความสุขแท้อยู่ที่ไหนความสุขปลอมคืออะไรเราจะได้เลิกหาความสุขปลอมกันแล้วเข้าหาความสุขแท้กันเมื่อเราเข้าหาต่อไปเราก็จะได้ความสุขแท้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราฟังด้วยความตั้งใจ เราจะเข้าใจเรื่องเราที่เราได้ยินได้ฟังอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราก็จะได้ผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสัมิตาโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาหราโสยธามนิโชติ อารโสยะาสปิตโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีกายุโกภวะาภิวาตนาสีลิสานิจังวุทฒาปัจายิโนจตารโอธรรมาวทานติ อายุวันโอสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา385 YouTube 160วิทยุออนไลน์43รับฟังข้างบนเขา55รวมทั้งหมด643ครับ uh. กาบพพะอาจารย์ค่ะคือว่าหนูเพื่งมีคำถามอะค่ะ คือพบจิตผู้รู้ที่เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องกําหนดเองเขาอยู่ข้างในอะค่ะแล้วเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็สงบมันแยกเหมือนข้างนอกเราทํางานทําอะไรก็ได้ไประชุมก็ได้แต่ข้างในเขาก็จะเย็นสบายอยู่อย่างนั้นหนูติดอยู่ตรงนี้มาสองปีแล้วค่ะหนูอยากทราบว่าถ้าเกิดจิตตรงนี้เนี่ยมันยังมีอวิชชาอยู่ถ้าเราจะจะปล่อยรู้ตัวเนี้ยค่ะเราเราจะปล่อยอยังไงคราต้องใช้กําลังสมาธิใช่ไหยค่ะ เราจะรู้ว่าเรามีาวิชาหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเรามีความอยากหรือไม่ถ้าเรามีความอยากก็แสดงว่าเรายังมีวิชาอยู่เพราะเรายังหลงคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันจะต้องให้ความทุกข์กับเราไม่ช้า ก, กเ็เร็วเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะต้องเปลี่ยนไปหรือหมดไป ถ, ถ้าไม่มีความอยากหลงเลยในใจก็แสดงว่าไม่มีอวิชชาคือถ้าไม่มีอะไรมากระทบมันก็จะเฉยๆอะค่ะ ไม่เป็นไรพออะไรมากระทบปั้มมันไม่เฉยก็แสดงว่ามีความอยากนะค่ะเนี่ยพอเขาพูดไม่ดีก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วค่ะแสดงว่าเรายังอยากให้เขาพูดดีอยู่เหมือนบางทีมีความมีคนอื่นๆหรือลูกหรืออะไรเงยมอบความสุขให้แต่เรารู้แล้วว่าถึงเวลาแล้วมันไม่เที่ยงแล้วเราก็จะทุกข์แบบมันเหมือนทุกข์มากเลยค่ะทั้งที่เราได้รับความสุขอยู่ค่ะอแล้ว แต่เรายังขจัดตรงนี้ไม่ได้อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เราอย่าไปยินดีกับความสุขที่เขาให้เราเรารับไว้เฉยๆได้แต่เราไม่ต้องไปเสพมันค่ะแต่ว่าเวลามันก็ถ้าเทียบเหมือนวงจรปฏิจจสมุปบาทนะคะถ้าเราผัสสะกระทบซะเราก็รู้เฉยๆแต่เราอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเกิดเวทนาแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมของมันแล้วอย่าไปยินดีกับ การสัมผัสให้สัมผัสเฉยๆอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจก็ถ้าเรามีอุเบกขาเราจะทําใจให้เฉยๆกับการสัมผัสต่างๆได้ค่ะก็คืออย่าไปปรุงแต่งมันแล้วก็พอเรากลับมาอยู่ที่ฐานเดิมแล้วมันก็สงบมันก็สบายทีนี้เราก็ สอนใจค่ะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอวิชาต่างๆเขาจะดับของเขาเองใช่เขาจะดับเพราะเขาจะรู้ว่าสิ่งต่างๆนี้มันไม่ดีสําหรับจิตใจมันทําให้จิตใจวุ่นวายค่ะถ้าความอยากตัวนี้มันหายไปหมดทั้งในด้านเออกามาตัญหาภาวะตัญหายอยู่ภาวตัญหาถ้ามันดับหมดเนี่ยถ้าจิตสมมติว่าจะตายอะค่ะยัง มันก็ยังอวิชามันก็ยังดับไม่หมดใช่ไหมคะอาจารยถ้าถ้าตัณหาหมดก็อวิชาก็หมดเนี่ยเพราะว่าตัณหาเกิดจากอวิชาาแต่ถ้าเรายังยึดผู้รู้อยู่แล้วกำลังจะตายเนี่ยมันปิดมันข้ามภพมันก็ยังเหลืออยู่หนึ่งภพใช่ไหมคะาจารยอ๋อมันมันจะ้วแตว่าเรายังไปติดอยู่กับอะไรอย่างเนี้ยถ้ายังไปติดกับผู้รู้ ความจริผู้รู้มันมันมันไม่ติดหรอกเพราะว่าผู้รู้มันเป็นตัวที่ติดผู้รู้ติดตัวผู้รู้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่าไปติดอย่างอื่นก็แล้ว ก, กันก็คือณเวลานั้นก็คือถ้าจิตไม่ปรุงแต่ง เ, เขาอยู่ของเขาเฉยๆแล้วเราก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจมันก็ไม่จําเป็นต้องมาเกิดแล้วใช่ผู้รู้ก็อยู่ก็ตามตามนําพังค่ะ <c oughs> รู้เข้าใจแล้วค่ะเพราะถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีอะไรที่จะดึงให้ผู้รู้ก็มาหาละมามีร่างกายเพราะว่าบางครั้งพอจิตมันอยู่ตรงนี้ทำ ม, มันมันก็รู้ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ออกไปมันก็ไม่ต้องปรุงแต่งใช่แต่มันเหมือนเรายังต้องออกไปมีแอคทิวิตี้ต่างๆ อ, อ๋อออกไปได้แต่อย่าไปมีอารมณ์กับการ <Okay. S 1> ออกไป <Okay. S 1> อย่าไปรักไปชังอย่าไปเกิดอุปทานอย่าไปเกิดตัณหาค่ะ ออกได้พระพุทธเจ้าก็ยังออกมาอยู่เนี่ยเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังต้องออกมาบินทบายยังต้องออกมาแสดงทำอะไรอยู่ะแต่ท่านออกมาแบบผู้เบิกข้างเฉยๆไม่ยินดียินร้ายกับสัมผัสต่างๆใครชมก็ไม่ดีใจใครด่าก็ไม่เสียใจใครมาขโมยอะไรไปท่านก็ไม่เสียดายใจ อย่างเทวทัตมาพยายามฆ่าท่านท่านก็ไม่รู้สึกอะไรท่านก็เฉยเฉยไปเข้าใจแล้วค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะมีใครอยากจะถามไมถามได้นะถ้ายังไม่มีจะให้คำถามทางบ้านก่อนคำถามจากทางเฟซบุ๊กคุณพิทักษ์มีสองคำถามนะครับ คำถามที่หนึ่งในขณะที่กำลังภาวนากับผมกำหนดพุโทโธจนกระทั่งช่วงขณะหนึ่งมีความรู้สึกว่าคำภาวนาพุโทโธเหมือนจะหายไปผมจึงได้เปลี่ยนมาเป็นการดูลมหายใจแทนโดยไม่มีคำภาวนาพุโทโธเลยปรากฏว่าจิตเริ่มสงบขึ้นเรื่อยๆจนนิ่งสงบ ทรงตัวในความว่างอยู่ได้นานและในขณะที่จิตอยู่ในสภาวะนี้กระผมจึงได้กำหนดรู้เพียงอย่างเดียวโดยมีสติรู้อยู่กับความว่างในขณะนั้นให้นานที่สุดโดยไม่มีคำภาวนาหรือการดูลมเลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกแล้วนั่นแหละ ว, วิธีก็คือให้รู้เฉยๆไป แล้วก็พยายามระ ง, งับความคิดปุงแต่งด้วยความความอยากถ้ามันโผล่ขึ้นมาในตอนนั้นให้มันรู้เฉยๆไปให้มันนิ่งๆไปนานๆจนกว่าจะสู้ความคิดความอยากไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องทําอะไรต่อเราก็ลุกมาเดินจงกรมมาจะเดินพุทโธต่อแล้วดูเท้าในขณะที่เราเดินเพื่อคอยควบคุมความคิดต่อไป เดินไปจนเรามีกำลังสติมีกำลังกลับคืนมาเราก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ทำอย่างนี้สลับไปสลับมาก่อนยังไม่ต้องไปทางปัญญาเอาทางสติกับสมาธิให้ชำนาญก่อนเราจนกว่าเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดทุกครั้งที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นถ้าเราออกจากสมาธิมา เราก็เริ่มมาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไตลักไปหมดถ้าร่างกายนอกจากไตารักแล้วก็ต้องพิจารณาอสุภะด้วยร่างกายไม่สวยไม่งาม uh huh. ร่างกายมีส่วนที่ไม่น่าดูเช่นที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง uh huh. มีกระดูกมีเนื้อมีหนังมีมีกระดูกมีเนื้อ uh huh. มี ลำไส้มีตับมีไตมีปอดมีหัวใจอัดดูส่วนต่างๆที่ไม่น่าดูของร่างกายเพื่อจะได้กำจัดความหลงที่จะไปรักร่างกายของคนนั้นคนนี้ว่าสวยว่างามแล้วก็มองาว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องตายไม่มีตัวตนเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาเห็นคนตายจะได้รู้ว่าไม่มีใครตายร่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งนั่นเองทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยว ก, ก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปอันนี้คือปัญญาที่เราจะต้องมาสอนใจเพื่อให้ใจได้เข้าใจและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างคําถามที่สองในขณะที่จิตกําลังว่างอยู่นั้น เมื่อพบเจอปัญหาหรือความคิดใดๆที่จะเป็นสิ่งก่อกวนให้เกิดความไม่สงบสัญญาความจำได้ที่ได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศที่พระอาจารย์ได้แนะนำ และบอกสอนในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นมาว่าหากเจอปัญหานี้ควรที่จะแก้ไขเช่นนี้จนจิตรักษาความสงบได้ต่อไปสิ่งนี้เป็นผลจากการฟังเทศและการปฏิบัติของเราที่เรียกว่ารู้ได้เฉพาะตนใช่ไหมครับ อ, อ่นั่นแหละขันต้นก็ต้องศึกษาจากผู้ที่เขามีประสบะการณ์ก่อนเมื่อเขาได้ความรู้จากเขาแล้วพอเราเจอปัญหาเราก็เอาความ รที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปคำถามจากคุณสุคุงกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์วิธีคิดด้วยปัญญาคืออะไรเจ้าคะต่างกับวิธีคิดด้วยสติอย่างไรขอความเมตตาด้วยคะ่ะอ ว, วิธีคิดก็ต้องคิดด้วยสติถ้าไม่มีสติมันก็เหมือนคนเมาคนเมาก็คิดแบบไม่มี ไม่มีเหตุไม่มีผลคิดไปตามอารมณ์ต่างๆเรียกว่าคิดแบบไม่มีสติเช่นเราเวลาไม่มีสติเรามันจะคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้าคิดอยากจะเป็นนางฟ้าบ้างคิดอยากจะเป็นนายแบบบ้างคิดอยากจะเป็นเศรษฐีบ้างอ่านี่เรียกว่าคิดแบบไม่มีสติคิดแบบเพ้อฝันถ้าคิดแบบมีสติมันต้องมีเป้าว่าเรากําลังคิดเรื่องอะไรอยู่เป็นกําลังคิด บัญชีเงี้ต้องมีสติเดี๋ยวจะได้บวกลบบวกลบคูณหารได้ถูกต้องมีสติถ้าไม่มีสติเดี๋ยวบวกผิดบวกถูกไม่รู้ว่ากำไรหรือขาดทุนแต่ถ้ามีสติจะรู้ทุกขั้นตอนของการคิดว่าตอนนี้กำลังบวกหรือกำลังลบอันนี้เรียกว่าต้องคิดด้วยสติถึงจะสามารถคิดไปในทางปัญญาได้ความคิดของเราส่วนใหญ่ไม่คิดไปในทางปัญญา คิดไปในทางหลงทางหลงก็คือว่าเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราคนนั้นคนนี้จะให้ความสุขกับเราอันนี้เรียกว่าคิดด้วยความหลงเพราะมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะต้องให้ความทุกข์กับเราคนนั้นคนนี้จะต้องให้ความทุกข์กับเราแต่เราไม่รู้ความจริงไงเราถึงต้องมาฟังเทศฟังธรรม พระพุทธเจ้าสอนให้เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องให้ความทุกข์กับเราคิดทางปัญญาก็คิดแบบนี้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันให้ความทุกข์กับเราเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงไงถึง แ, แม้มันจะให้ความสุขพอมันพอมันไม่เที่ยงมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปอเช่นแฟนไม่เที่ยงนี่เวลาแต่งงานใหม่ๆก็สุขใช่ไหมแล้วพอ แฟนเปลี่ยนไปแฟนไม่เคยรักกับไม่รักเราเสียแล้วความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามานี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไปเสมอสักวันหนึ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการดับไปแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้อนาตตาคือห้ามเขาไม่ได้ ทุกอย่างจึงสรุปลงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามจากคุณลูกหมีตัวน้อยกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ขอคำแนะนำค่ะขณะนี้มีหน้าที่ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวผู้เดียวแต่จิตใจไปทางด้านธรรมะตลอดเวลา ดิฉันจึงเริ่มด้วยทานศีลภาวนาแบบนี้มาถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะหากพระอาจารย์มีคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับหัวหน้าครอบครัวอย่างดิฉันก็พยายามทำเพิ่มให้มากขึ้นไปตอนต้นเราอาจจะทําได้แค่ร้อยละสิบทาทานได้ร้อยละสิบรักษาศีลได้ร้อยละสิบภาวนาได้ร้อยละสิต่อไปเราก็เพิ่มเป็นร้อยร้อยละยี่สิบร้อยละ สาิบไปเรื่อยๆจอก่าจะได้เต็มร้อยเพราะการที่จะได้บรรลุผลจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ต้องปฏิบัติให้ได้เต็มร้อยถึงจะได้ผลเต็มร้อยที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโนคําว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติเต็มร้อยนี่เองเต็มทีจ่จากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม เวลาบอกให้พ่อสวดมนต์พ่อสวดยัตถาสัพพีตลอดค่ะบทอื่นง่ายๆก็ไม่ยอมสวดแบบนี้พ่อจะได้บุญบ้างไหมเจ้าคะคือการสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดบทไหนนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติเหมือนพุทโธพุทโธเพื่อให้เราหยุดความคิดพอจิตความคิดใจเราก็จะว่างเย็นสบายนี่แหละคือบุญผลที่เกิดจากการสวดมนต์ ไม่ว่าจะสวดบทไหนก็ได้อยู่ที่ว่าสวดมากหรือสวดน้อยแล้วสวดแล้วไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าสวดไปคิดไปก็ไม่ได้บุญสวดแล้วต้องอย่าไปคิดให้อยู่กับบทสวดอย่างเดียวดึงใจให้อยู่กับบทสวดอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันถึงจะได้ความสงบได้ความสุขได้บุญคาถามจากคุณวัน กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการทำบุญวันเกิดหรือเลี้ยงฉลองวันเกิดควรทำก่อนหรือหลังหรือตรงวันเกิดครับคือการทำบุญนี่ควรจะทำทุกวันไม่อย่ามารอวันเกิดเพราะมันน้อยไปเข้าใจไหมเหมือนกินข้าวเรากินทุกวันรือเปล่าหรือเรากินเฉพาะวันเกิดถ้าเรากินวันเกิดล้วก็ตายไปนานแล้ว โชคดีที่ใจเราไม่มันไม่ได้เป็นเหมือนร่างกายถึงแม้ว่าไม่ได้ทำบุญมันยังอยู่ได้แต่มันอยู่แบบแร่นแค้นมันอยู่แบบอดยากถ้าเราอยากให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขเราควรจะทำบุญทุกวันไม่ใช่รอแต่ปีหนึ่งมาทำกันสักครั้งหนึ่งเพรางการทำบุญทำวันไหนก็ได้ก่อนวันเกิดก็ได้ตรงกับวันเกิดก็ได้หลังวันเกิดก็ได้ ก็จะทำให้มากๆยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขมากขึ้นไปคำถามจากทาง YouTube ครับคุณวิกราบพระอาจารย์ครับขอเรียนถามคือจิตนิ่งดีแล้วก็มานั่งสมาธิ ตั้งเวลาปลุกออกจากสมาธิหนึ่งชั่วโมงก่อนออกจากสมาธิหนาทีสุดท้ายรู้สึกปวดขามากปวดจนทนไม่ไหวจึงออกจากสมาธิมาก่อนเวลาเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับออตอนที่ปวดเราก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่านั่งเฉยเฉยอย่าไปดูความปวดยิ่งไปรับรู้ความปวดมันยิ่งทรมานเพราะอยากจะให้มันหายปวด เรื อ, อยากจะลุกแต่ถ้าเรามาบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดบนไปก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเลิมความปวดแล้วเราก็จะนั่งต่อไปได้จนถึงเวลาคำถามจากคุณมงคลกราบนมั ส, สการครับเวลาเดินจงกรมจะต้องกำหนดไหมว่าจะต้องเดินไปกลับประมาณกี่ก้าวครับอันนี้ก็แล้วแต่ความ ความพร้อมของสถานที่สถานที่ที่เราเดินมีให้เราเดินได้กี่ก้าวถ้าเราทำทางเดินเองตามหลักทั่วไปก็ทางเดินที่ความยาวก็ประมาณ 20-25 ก้าว ม, มากกว่านั้นก็ได้ถ้ามากกว่านั้นยาวก็40ก้าวแต่ยังต่ำไม่ควรจะต่ำ ก, กว่า 20-25 ก้าว แต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นมันจะทําให้เวียนศีรษะได้นั้นก็อยู่ที่สถานที่ที่เราเดินว่าเราสามารถเดินได้กี่ก้าวถ้ามันมีสถานที่ที่สั้นมากเราก็า จ, จะใช้เดินแบบไม่หมุนกลับก็ได้เดินแบบเดินหน้าถอยหลังฉันมีที่เดินให้ได้เดินสิก พอเดินไปถึงสิบเก้าแล้วเราก็เดินถอยหลังอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทําให้เรามีสติมากขึ้นด้วยแล้วจะทําให้เราไม่เวียนศีรษะแต่เราอาจจะเดินเร็วไม่ได้เพราะที่มันสั้นเช่นเราเวลาเราอยู่ในห้องแล้วเกิดฝนตกออกมาเดินข้างนอกไม่ได้เราอยากจะเดินเราก็เดินในห้องไปเดินไปสิบเก้าแล้วก็เดินถอยหลังสิบเก้าเดินหน้าสิบเก้ามันก็ยังทําให้เราได้เดินจงกรมอยู่น คำถามจากคุณจิตดาภากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะกระดูกคนตายหลังจากเผาแล้วเก็บมาบางส่วนมาไว้ในห้องพระได้ไหมคะจะนำไปลอยอังคารที่คลองแถวบ้านกลัวไม่ถูกต้องค่ะได้จะเก็บไว้ก็ได้จะทำอะไรก็ได้มันก็เป็นดินเป็นธาตุดินไปหมดแล้ว จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้ไปโรยตามโคนต้นไม้ก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่เราคำถามจากคุณแก้วตาถ้าหากว่าเราโอนเงินทำบุญไปแล้วเช่นโอนเงินไปงานทอดกะถินอาทิตย์หน้าแต่โอนเงินไปวันนี้บุญเกิดตอนที่โอนเงินเลยไหมเจ้าคะ จะอุทิตให้เจ้ากลับในเวียนได้เลยได้เกิดทันทีเลยพอเราสละเงินก้อนนี้ไปก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้วถึงแม้ว่าเงินนี้เขาอาจจะไม่ได้ไปทอดกระถิน่นเราก็ยังได้บุญอยู่ <laughs> คือเพราะว่าบุญเกิดจากการเสียสละเงินทองของเราไปนั่นึองพอเราเสียสละเงินทองไปป๊บมันก็เกิดบุญขึ้นมาทันที <laughs> คำถามจากคุณไพโรธกราบนมัสการพระอาจารย์ครับป้าข้างบ้านเอาขยะเปียกมาทิ้งถังหน้าบ้านเราแต่ถังหน้าบ้านตัวเองไม่ทิ้งเราควรวางอุเบกขาหรือควรจะบอกลูกของป้าดีหรือจะทําเป็นมองไม่เห็นครับขอคําชี้แนะด้วยครับคืทอทํำยังไงก็ได้ข้อสําคัญก็ให้ใจเรา อไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการกระทําของเขาเขาแล้วกันแต่ถ้าเราใจเราไม่วุ่นวายแล้วเราก็บอกเราบอกเขาก็ได้บอกให้เขารู้ว่าอาควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อส่วนก็จะทําไม่ทําใจของเราต้องอย่าไปวุ่นวายถ้าบอกแล้ววุ่นวายก็อย่าไปบอกคําถามจากคุณริกกี้เพื่อนฝากถามมาครับ ถ้าคนดีๆพระดีๆปฏิบัติตัวจนหลุดพ้นวัฏตตสงสารไปกันหมดแล้วไม่กลับมาเกิดอีกมนุษย์ที่เหลืออยู่จะทำยังไงต่อไปใครจะมาอบรมสั่งสอนครับ อ, อ๋ก็มีคนดีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนบัวสี่เหล่าไงคนดีนี้มีอยู่หลายระดับด้วยกันระดับบัวที่อยู่กลางน้ำ ระดับที่อยู่เปล่มน้ําระดับที่อยู่เหนือน้ำํำน <Yeah. S 1> ี่นก็จะมีคนดีๆพัฒนาจิตใจขึ้นมาเรื่อยๆเ <Yeah. S 1> ช่นอย่างพวกเราตอนนี้เราอาจจะอยู่กลางน้ําเราก็มาขยันมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศรรีลมาภาวนาเดี๋ยวต่อไปเราก็จะดีขึ้นตามลําดับแล้วต่อไปเราก็จะบรรลุธรรม แล้วเราก็จะมาเผยแพ่สั่งสอนธรรมะกันต่อก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าตัดชะลูแล้วมาจนถึงสองมันห้าร้อยกว่าปีก็ยังมีคนดีมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีน้อยท่านเปรียบเทียบคนดีแบบนี้กับคนที่ไม่ปฏิบัตินี่เหมือนกับเขาวัวกับขนวัววัวตัวหนึ่งมันก็มีเขาอยู่สองเขา แต่มีขนเป็นร้อยคนในโลกนี้ก็เหมือนกันเป็นคนดีที่จะมาปฏิบัติมาบรรุุเป็นพระอริยนี่ก็เป็นเหมือนเขาวัวมีน้อยเป็นคนธรรมดาสามัญปุถุชนนี่มีเยอะกว่าแต่ก็จะมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่มากเท่านั้นเองคำถามจากคุณสับพรสี โยมอยากไปช่วยงานของวัดที่อินเดียแบบจิตอาสาในสมองคิดแต่เรื่องนี้คิดวนไปแล้วก็มาวุ่นวายในใจของตัวเองว่ามีภาระหน้าที่ยังไม่พร้อมทำยังไงดีเนอททำอย่างไรจะได้ไปช่วยงานวัดอย่างนี้โยมเกิดสภาวะอะไรเจ้าคะกระตัญหาความอยากถ้า เป็นกิเลราะทําให้เราทุกข์ใจวุ่นวายใจถ้าเป็นความอยากที่เกิดด้วยปัญญาจะไม่ทุกข์ใจก็ไปทําวัดใกล้บ้านก็ได้มันก็เป็นวัดเหมือนกันทําไมต้องไปวัดที่อินเดียไปทําวัดที่อินเดียกับมาทําวัดที่บ้านมันก็ได้บุญเหมือนกันนี่ถ้าคิดแบบปัญญามันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะไปวัดใกล้บ้านได้ไปที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกที่เราทําได้ หรือว่าถ้าเรายัางไปไม่ได้เราก็หยุดความอยากนั้นไปก่อนถ้ามีปัญญาเราก็หยุดความอยากอตอนนี้ยังไปไม่ได้ยังทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่มไปอยากมันก็จะไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าอยากแล้วต้องทำให้ได้แล้วไม่ได้ทำก็จะอยากอยู่อย่างนั้นก็จะเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาเพราะจะทำให้เราทุกข์ใจงั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องใช้ปัญญา คิดดูให้ดีว่าเราทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ตอนนี้เราก็หยุดความอยากนี้ไปก่อนคำถามจากทางเฟซบุ๊นะครับคุณอมมี่กราบนวัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะการขอขมากับบีดามานดาทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่และต้องทำอย่างไรเจ้าคะ่ะมันต้องมีเหตุ ถ้าเราอยู่ดีๆเราไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายก็ไม่ต้องไปขอเข้ามาแต่ถ้าเราไปทำอะไรให้เสียหายเช่นไปแสดงความไม่เคารพต่อบิดามารดาไปด่าว่าบิดามารดาอย่างนี้หรือไปทำให้บิดามารดาเขาเดือดร้อนที่เกิดจากการกระทําที่ไม่ดีของเราอันนี้เราก็ต้องไปขอเข้ามาให แล้วการขอกมานี้ไม่ใช่ขอกมาเพื่อให้เราอขอกรรมาเฉยๆการขอกมานี้เพื่อเป็นการสอนเราตเตือนเราว่าต่อไปเราอย่าทําอย่างนี้อีไม่ใช่ไปขอกรมาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําอย่างเดิมอีพกพรุ่งนี้ก็ทําให้เกขาเสียหายอีกอันนี้ไม่ใช่การขอกมานี้เพื่อเป็นการเหมือนกับประนามตัวเราเองปรนามว่าเราผิดเรายอมรับผิด ขอโทษต่อไปจะไม่พยายามทำอย่างนี้อีกอและขอให้ผู้ที่ได้รับการกระทาผิดจากเรานี้ให้อาภัยเราด้วย อ, อย่าถือโทษโกรธเคืองเลยเ อ, อันนี้เรียกว่าเป็นการขอเข้าม า, าคำถามจากคุณพิมพ์ภัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ คิดที่อดอาหารมื้อเย็นช่วงเข้าพรรษาแต่มีอาการปวดท้องเลยต้องรับประทานบ้างเป็นบางมือ้อถือว่าผิดสัจจะไหมเจ้าคะก็ถ้าเราบอกไม่รับประทานแล้วเรารับประทานมันก็ผิดเลยนั้นก่อนที่จะตั้งสัจจะต้องดูว่าเราทำได้หรือเปล่าตอนต้นก็เอาวันหนึ่งก่อนอย่าไปตั้งสัจจะทั้งพรรษาดูกาลังเราก่อน ต้อลองลองดูหนึ่งวันก่อนว่าวันนี้จะไม่กินข้าวเย็นได้หรือเปล่าถ้าวันนี้ไม่กินข้าวเย็นได้พรุ่งนี้ก็ลองอีกวันหนึ่งเอาทีละวันไปก่อนจนเรามีความมั่นใจว่ า, าทําได้เป็นเดือนเดือนทีนี้เราก็จะมาตั้งสัจจะว่าจะเอากี่เดือนก็ว่าไปดงนั้นก่อนจะตั้งสัจจะเราควรจะดูกําลังของเราก่อนว่าเราจะสามารถทําตามที่เราตั้งสัจจะไว้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้อย่าไปตั้งสัจจะเพราะเดี๋ยวมันก็จะเป็นการโกหกหลอกลวงตัวเองคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับจากทางไลน์กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อวานหนูไปส่งแม่แก้บนจากการที่แม่ไปบนถวายละครกับพระระหว่างเดินทางไปหนูเปิดคําสอนที่บอกถึงการไหว้พระ ไม่ใช่การไปอ้อนวอนขอพระหรือไหว้พระแบบติดสินบนเพราะหนูฟังพระอาจารย์บอกเป็นลูกไปสอนแม่ไม่ได้หนูเลยเปิดธรรมะเป็นการบอกแม่ไประหว่างการเดินทางแต่ในใจแม่หนูไม่ทราบท่านคิดอย่างไรถ้าสมมุติท่านคิดต่อต้านหรืออคติ หนูจะบาปไหมค ะ, ะไม่บาปหรอกมันเป็นความจริงผู้ที่จะบาปหรือเสียหายก็ผู้ที่ไปคิดต่อต้านความจริงนั่นเองเพราะเอาความโง่ไปต่อต้านความฉลาดเอาความหลงเอาความผิดไปต่อต้านความถูกเท่านั้นเองคําถามจากทาง facebook ครับคุณอรุณ อยากถามว่าพระอรหันต์สามารถทําอิทธิบาทสี่ได้ทุกรูปใช่ไหมครับเท่านต้องมีอธิบาทสี่ท่านถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ท <c oughs> ่านต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในการปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาถ้าไม่มีอธิบาทสี่ก็จะไม่มีกําลังใจที่จะปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาอย่างเต็มร้อยอคําถามจากคุณสิริปรียา หนูเพิ่งเริ่มฝึกพุทธโธในสมาธิทำยังไงถึงจะเริ่มมีความสุขกับสมาธิคะก็ต้องนั่งนานๆพุทโธไปนานๆจ น, น, น, น, น, นวกว่ามันจะสงบมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาคำถามจากคุณทิติพัฒน์มีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่ง การนั่งสมาธิที่บ้านไม่มีโต๊ะหมู่บูชาเราสามารถนั่งตรงไหนก็ได้ภายในบ้านการแต่งกายไม่ต้องชุดขาวเป็นชุดนอนหรือชุดสบายๆอยู่บ้านจะได้ไหมครับได้อันนี้ถ้าเราอยู่ที่บ้านของเราเราไม่เกี่ยวข้องกับใครเราจะแต่งกายแบบไหนก็ได้จะนั่งที่ตรงไหนก็ได้คำถามที่สอง ตัวเราเมื่อละสังขารแล้วตัวเราอยู่แต่เฉพาะตัวเราหรือไม่ครับมีเพื่อนหรือเปล่าครับอยู่ที่บ้านเดิมหรือไม่และจะมีครูบาอาจารย์สั่งสอนในโลกของตัวเราเหมือนในขณะที่มีสังขารหรือไม่ครับออตอนที่เราไม่มีสังขารก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับไงเราก็อยู่ในโลกของความฝัน เราก็จะฝันถึงคนนั้นฝันถึงคนนี้ได้ฝันว่าไปทําอย่างนั้นไปทําอย่างนี้ได้จะฝันดีแล้วฝันร้ายก็อยู่ที่บุญนึบาปที่เราทําไว้ถ้าทําบาปไว้มันก็จะพาเราไปฝันร้ายฝันแต่เรื่องไม่ดีถ้าเราทําบุญมันก็จะพาให้เราไปฝันดีฝันแต่เรื่องดีๆจนกว่าเราจะกลับมาเกิดใหม่พอเรากลับมาเกิดใหม่แล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่เหมือนคนตื่นขึ้นมาใหม่ คำถามจากคุณสันพบเคยเห็นรถยนต์สีแดงแต่ติดสติกเกอร์ว่ารถคันนี้สีดำแบบนี้ผิดข้อมุลษาไหมครับแล้วมันใช่สัมมาทิฏฐิหรือเปล่าครับอ๋ออย่าไปถือสากับเรื่องตลกบ้างละเขาก็เขียนไปอย่างนั้นเองคนก็รู้ว่ามันสีแดงเขาจะบอกขีกเขียวสีดำาก็เป็นเพียงแต่เป็นการเขียนไปอย่างนั้นเอง อย่าไปถือสามากจนเกินไปเราก็รู้ว่ามันเป็นสีแดงโกหกแบบรู้กันอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นแบบแบบเหมือนกับตลกแบบบอกกันล้อเล่นกันมากกว่าไอ้ที่ไร้แรงก็ตลกแบบที่โกหกแบบที่เขาไม่รู้เสียเนี่ยปัญหาเช่นนี้ไปมีแฟนแล้วก็ไม่บอกแฟนว่าตอนนี้ ไ, มไปมีแฟนใหม่แต่ย่างเงี้ยโกหกแบบนี้มันร้ายกาศ เขาทาให้คนที่เขาถูกโกหกนี่เขาเขาถูกหลอกนะ เ, เขาเสียหายนี่คำถามสุดท้ายคำถามจากคุณดาริยากราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูสวดมนต์และทำสมาธิ และขอผลบุญขอผลบุญส่งถึงพ่อกับแม่ด้วยพ่อกับแม่จะได้รับผลบุญด้วยไหมคะไม่ได้แล้วพ่อแม่ถ้ายังอยู่พ่อแม่ก็ต้องทำเองส่วนถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วผลบุญที่เราทำจากสมาธิมันยังไม่เกิดเพราะใจเรายังไม่สงบมันยังไม่มีบุญเรายังไม่ได้รับบุญจากการนั่งสมาธิแล้วเราจะเอาบุญจากการนั่งสมาธิไปให้เขาได้อย่างไร อยากจะให้เขาได้บุญถ้าเขาเป็นคนตายแล้วก็ทำทานดีกว่าทำทานปุ๊บ ก, ก็ได้เกิดบุญทันทีเลยหมดแล้วใช่ไหมวันนี้เมื่อกี้คำถามสุดทายใช่ไหมโอเคพอดีวันนี้เวลาก็หมดพอดนะีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ